จำนีงข้างหน่อนะมีเมย์ขาดขันบายหายวันแล้วหาถือเหลืองแต่อังหนึ่งเดือดหนังตั้งสบายนะหนังภาวนาเปนตัวเวลาจุตนกจิิตจิตจิตเดืรานาไปเยอนทั้งคันเนี่ยไม่มจิกสำนกฝ่ายหน่อยไปตามตำลับตำลา เขาไปศึกษาเรียนมาทรมาเป็นบันจิตจะเยือกเย็นนะเป็นไสด้วยผลนกต้องอาศัยจิตสงบพอที่ควรแต่สงบถึงเยือกมันก็เยือไม่ออกฟุ่มเลือยันก็ไม่เรืองไม่ได้ถ่าอยู่ในขั้นที่จะพูดได้เหมาะสมนั่ือทรหน้าออก หลวงธรรมะดันปฏิบัติแตธรรมะปริยัติเราเรียนต้งดนมาเรียก็ได้อจมาได้นี้องเก่าควันหน้าของเก่าเพราะศึกษาในแบบไหนก็ยแบบนั้นันความขวางนจกไปที่อื่น่ธรรมะปฏิบัติถึงจะยก พาสิทุกขเดียวกันพูดทำมาอยู่ทุกวันคนไปส่องทางเดียวกันบางทีก็ไปอย่างหนึ่งบางทีก็ไปอย่างนึ่จะทำมาปฏิบัติแล้วแต่ปฏิบันมันจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ไปยังแม่ถ้าอยู่ แก่หรืไงแก่ไปทำไมฟองนิยมเด็กเราแก่ไปจ็นแบบเดียวกันติดมาแบบไหนมาไปแบบนั้นเรื่องของคนตายง่ายตงนั้นก็ไม่ได้ อย่างนั่นมควมนี่ยคุใหญ่ดูแลรักษาไงว่าถายหนักายเบาไหนว่าดินว่าทานอะไรจากอาศัยคนอื่นต่อมาก็ขยันรงขึ้นหัดนั่งหัดเดิต่อมาก็แข่งเรงทิ้ีนทงีลยก็จะลงไปจมือนกันแะวันวันนก็เฉีย เวลาเดียวตอนนั้นะนั่งกอดบ่ายบ่ายไปบ่ายไปมนกอดขกูเนื่อยเหมือนกันแบบยังมันยังไม่ขึ้นคนเราก็ทํานอรเดียวกันเท้าเปหน้าก๊ะลังข้อมลังงาคอยไปก่อหไม้เท้านะถือฝนทีกๆไลงเดินปีขาจางเด็ก เอาไปก่อนนั้นก็อนนั่งอยู่กับที่นา่อยู่กับที่แต า, ามันไม่ตายง่ายมันเป็ น, นไปแบบนั้นฟังศาสตร์ฟังขันมันง่ายดังไรก็ไปอย่างนั้น <c oughs> ก็โหนตัวไว้รักษาใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับตัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาในอดีตหรือไงไปปูนจิตไปในเรื่องอนาคตกําหนดอยู่ไหนไปปัจจุบันจะบริกรรมหุดโธหรือกำหนดลมหายใจก็ะดับจะไปสนใจว่าท่านจะเทศอะไรให้เราฟังเราตั้งใจในอย่างนั้นหูของเรามีหน้าจี รับเสียงเสียงมันก็เข้าไปไปสัมผัสกับใจที่เราตั้งเอาไว้ดีได้จิตใจนั้นจะไม่สายแสไปที่อื่นแล้วก็จะสงบระงับลงไปรับความเย็นความสุกความสบายภายในจิตตุงเรื่องอดีตอนาคตนั่งฟังเทศฟังธรรม ก็มีแต่กายแต่ใจมันวิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์สียงนั้นสิ่งนี้นั่งฟังไปนิดๆหน่อยๆ็เกิดเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวลำบากลำคานเพราะใจมันอยู่กับอาจกับทรมันฟุ่มมันปรุงมันคิดไปในแง่ใหม่มุมใหม่ใจจึงไม่ได้รับความสงบสุขได้รับความสงบสุขทุกข์ก็เข้ามาแทนทุกข์เข้ามาจึง เราทันในปรารถนามันก็ลำคาญฉะนั้นการตั้งใจไว้เยดียด <c oughs> ในเวลาฟังธรรมะทำให้จิตของฟูสระดับรับฟังได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นธรรมะที่ทำสแสดงออกไปโดยส่วนใหญ่สแสดงเรื่องของปฏิบัติไม่ไสแสดงออกไป ในที่อื่นแสดงเข้ามาหากายว า, ายใาใจของเราจิตถูกชั่วดีมันไม่มีจากที่อื่นบาปบุญคุณโทษมันไม่มีอยู่ที่อื่นกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอยู่ที่อื่นนรกสวรรค์นิพพานไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่จิตที่ใจของบุคคลฉะนั้นเมื่อเรากำหนดอยู่ในเรื่องของจิตของใจมีสติคุ้มครองรักษา มีปัญญาแนสอนใจของตัวทราบดีว่าจิตมันคิดมันตรุงเรื่องอะไรที่ควรแก้ไขก็ขแก้ไขไปซึ่งไหมใส่เรื่องของอัดของทมถ้ามันเป็นอัจเป็นทรรมควรให้มันปรุงมันคิดเพื่ให้เกิดปัญญาละถอนกิเลสเราก็กำหนดเอาไว้พิณิพเจนาเรื่อยไป การตรวจตาพิจารณาเรื่องของใจ <c oughs> การฟังมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้ตรวจตากาหนดพิจารณาเรื่องใจของตัวเองใจชั่วให้เกิดทุกเกิดโทษใจดีก็ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์คนเราเรื่องของกายเกิดมาเพราะกรรมที่ตัวทำไว้ในนี้ใคร ทิ่จะนีจากเรื่องของกรรมไปได้กรรมที่เราทำเอาไว้ดีชั่วอย่างไรเราก็เลยมาเกิดในสถานที่อย่างนั้นรูปร่างลางตัวของเราก็เหมือนกันสูงต่ำดำขาวแก่ไขไม่ได้เอาไว้ยวะส่วนใดที่เราไม่ชอบใจจะไปตัดทิ้งหาใหม่เอาอะไรอันอื่นมาแทนมันก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือเรื่องของกรรม ที่มีอยู่ในกายเยกิดมาจากการกระทําแต่เก่าก่อนเรื่องของจิตเราจะต้องชนิดพิจัจนาปรับปรุงเรื่องจิตของตัวให้มันดีให้มันเย็นให้มันสุขมันสบายเ้าถึงอัจถึงทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นโดยการกระทํามํมเพนภาคเทียนสิยาม มีสติรักษามีปัญญาแน่สอนจิตใจไม่ให้คิดปรุงเรื่องขวเสียต่งตางๆสิ่งใดที่ท่านแนะนำให้ละให้ถอนเราก็พยายามทําตามโอวาทของท่านกายไม่ทําวาจาไม่พูดห้ามจิตไม่ให้คิดให้ปรุงในสิ่งนั้นส่วนใดที่ท่านให้บำเพ็ญเราก็รีบกระทาบําเพ็ญไป <c oughs> เรอใจของเรารู้เห็นในอจในธรรมชัดเจนจะไม่มีการสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกคนเราเรื่องของกายไม่สำคัญแต่เรื่องของใจใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายเพราะกายนั้น่ <c oughs> าใจไม่ดีใจชั่วใจเสียถึงรูปร่างจะสวยสดงดงามขนาดไหนแต่ใจมันชั่วมันเสีย เป็นยักษ์เป็นมานรขายเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็ข่าขอแจ้งเอาเสียด่าว่าทุกตีไปปากก่เนม้นกายก็เน่าถึงกายจะหล่อเหลาสวยงามแต่จิตใจมันเป็นไปเสีเยทางเสียทางหายอย่างนั้นต้งการมีคุณค่าราคาอะไรไม่มีใครนิยมชมชอบ เหมือนดอกไม้ที่รูปร่างมันสวยงามดูแต่ไกลก็ติดใจเพราะเข้าใกล้ได้กลิ่นก่อสินหยาคือกลิ่นมันเหมนไม่ชอบจะเดือดมาดนมาบูชาดอกไม้ถึงมันจะสวอสนาดไหนแต่กลิ่นมันไม่ดีแล้วคในในสายนิยมชมชอบกันพวกเรทันก็ทำนองเดียวกันเรื่องจิตใจภายในเป็นสำคัญ อาจิตใจเต็มไปด้วยชีเรียรตันหามานะทิฏฐิแล้วตัวเองก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่สุขไม่สบายให้คนอื่นเข่าใกล้กขอนได้รับทุกรับโทษเพราะใจมันเน่ามันเนิ่นใจมันไม่เป็นอาจเป็นธรรมหย่งใจเป็นบาเป็นบอเสียจริตแล้วคนนั้นก็อมกคุนค่ามีเขาของเงินทองมากไม้กายกอง ก็รักษาไม่ได้เพราะไม่มีสติมีปัญญาที่จะรักษากายใจของตัวเรื่องนอกออกไปก็ปยิงไปออกไปไม่มีทางที่จะรักษาให้ปลอดภัยได้ถ้ารักษาใจของตัวไม่ได้มันเสียมันหายมันเป็นทุกข์เป็นโทษฉะนั้นการรักษาใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านนักปฏิบัติจะต้องรักษากัน อยารักษาอย่างไรรักษาเรื่องของใจกวรักษาด้วยแตจิตปัญญาด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนในมียาขนาดไหนที่จะมารักษาใจให้สงบมารักษาใจให้หายจากกิเลสตัญหาได้เพอาะยารักษาโรคภายนอกในรักษาใจในรักษากิเลสตัญหาธรรมะเท่านั้นที่จะรักษากิเลสตัญหาให้เหยียดแห้ง หายใจหายใจสุขหายใจสบายจิตใจท่องคนจิตเต็มไปด้วยราคาตัญหามานะ่าคิก็เหมือนกันกับตายถี่เรามีโลกโรคมันมากอะไรนั่นต่อมีความทุกข์ความลําบากจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนก็ยากจะกินจะดื่มก็ไม่มีรสชาติอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับลําบากคนเป็นทุกข์ ลำบากอย่างนั้นถึงอายุจะยืนยาวขนาดไหนก็มิจะทุกข์เรื่อยไปไม่มีความสุข ก, กายสุขใจเมื่อมันเป็นทุกข์ไม่มีความสุขใครก็ไม่ปรารถนาะอยากจะอยู่จะอาศัยไม่ว่าสถานที่ใดถ้าหากมันทุกข์มันลําบากแล้วไม่มีใครอยากจะไปอยากจะอยู่นี่แต่อยากจะหนีหาวิธีออกเป็นผูกคอตายตัวมีมวิธีออกของเขาวิธีนั้น เขาออกกันบ่อยพอตายกินยาตายยิงตัวตายเขาออกเพอจิตของเขาเป็นทุกข์ใจของเขาเป็นทุกข์ไม่มีวิธีอื่นที่จะออกเขาเลยออกแบบนั้นถ้าหากเขา อ, ออกแบบนั้นแทนที่จะมีความสุขความสบายเพราะจิตมันทุกข์ใจมันทุกข์กอยู่แล้วเมื่อมันจากร่างไปตายมัน เฉยเน่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามหน้าที่อของมันแล้วใจสิมันทุกข์มันก็ไปสู่พบทุกข์ขาดทุกข์อีกนั่นเลยประสบความสุขความสบายให้ถ้าเขาตัดสินใจอ้าวมันทุกข์มันลําบากทุกนี่มันจะมีมาจากที่ไหนมีมาจากจิตใจที่วุ่นวายเดือดร้อนเหนื่อยอารมณ์สั้นยาเหนื่อยจีร烈ปัญหาเราจะภาวนาเร า, าจะรักษา ใจของเราให้สงบโดยอุบายวิธีต่างๆจะนั่งภาวนาสัมฤทธิมันจริงจังตายก็เห็นตายในการภาวนาเพราะเขาตายในภาวนานี้รู้สึกาะหายยากไต่ยิย้นข่าวหรือไม่ได้ยิ้นเฉยๆก็เป็นไดไ้เห็นออกนังซื้อทิ ม, มเห็นออกอ า, ากาศส่วนข่า ก, กันตายยิ่งกันตายยิ่งตัวตายนับไม่ได้ส่วนนั่งภาวนาตายเสื่อต่อสู้ กับกิเลสปัญหาไม่ควรจะมีกันมีทางออกที่พระพุทธเจ้าสอนให้ออกให้ออกทางภาวนาทุกนั้นมันเกิดมาจากความไม่พอใจทุกนั้นมันเกิดมาจากอารมณ์สัมยาที่เรายึดเราถือไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นทวามสิงใตใจทุกทุกโศกทบใคร เบียดเบียนทุกข์ควาเหิวพวามกระหายพราะรอนควเย็นต่างๆแต่จใจทุกนี้ทุกมาจากสิ่เยตตันหาจากการยึดการถือการคิดการปรุงของตัวมีทางที่จะรักษาให้สงบรงนับได้ด้วยอุบายของอัดของทรมันจะทุกข์มากขนาดไหนแหากมีอัดมีทมในจิตในใจเพียงพอกัน นั่นก็สงบลังนะเหมือนกันกับไฟถึงมันจะเดือใหญ่กองใหญ่ขนาดไหนเท่านี้น้ำหน้าเท่ากันกับไฟนมาเทลงใส่มันก็ดับไปได้ความร้อมันก็หายถ้าไฟมันดับถ้าไฟมันยังอยู่ถึงจะอยู่ในยูแสงอยู่ในเท่าในบินมันก็เหยียบมีอะไรก็ร้อนอยูนั้นการดับ ทุกทางใจเราจะต้องมีสติมีความเพียนทีนิทิเจนาละถอนเรื่องความติดข้องของใจที่ทำาล <c oughs> ุ่มของใจที่ทำให้เป็นฟืนเป็นไฟไหมเผาตัวเองนั้นมันเกิดมาจ า, จากอะไรถ้ามันเกิดมาจากความรักในสมปรารธนา รักเรา <c oughs> เขาคืนไปก่อนเขาเอาไปก่อนหรือเับเป็นอื่นไปไม่ได้ซ้อมปรารถนาของเราเราเกิดทุกข์เกิดทุกข์อย่างนั้นเราก็มีทางที่จะซ้อมละสาสางจิตใจของตัวด้วยปัญญาแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเพื่อการตัด กิเลสตัณหาตัดความร้อนของราคะจะ ต, ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานคือมีความหนักแน่นของใจตั้งใจจะแก้ไขตั้งใจจะส้ำละเรื่องหนัน้นจริงจริงจริงจั ง, จ ง, จงมันจึงจะถอดออกได้ถอนออกได้เพียงนึกคิดธรรมดาจิตไม่หนักแน่น แนวแนี่ยเรื่องเหล่านั้นย่อมแก้ไขไม่ได้คนที่ฉลาดในตำรับตำราเคยสอบได้มหาบาลียนนักธรามครนักท่านเอกนับไม่ได้แต่ก็เป็นถาดของจีเลตปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทุกวันทุกเวลานี่คือความฉลาดของเขาความรู้ของเขาได้มาจากสัญญา คือการเกิดจามาจากตำรับตำลาจากครูอาจารย์ที่แนี่ยสอนเท่านั้นเขาเองไม่เคยมีปัญญาสำหรับตัวของเขาถ้าเขามีปัญญาสำหรับตัวของเขาจริงจัโดยการภาวนาโดยการทำจิตให้สงบเกิดปัญญาขึ้นเขนขึ้นเข้าใจขึ้นในเรื่องต่างๆการเป็นจริง มันก่ลละไปได้ถอนไปได้ถึงจะไม่มีวาทฏาคมคายแต่มันก็แก้ใจทั้งตัวให้สะดวกสบายสงบเป็นสุดได้นี่คือการปฏิบัติในธรรมะคนเราก็ไม่มีอะไรมาก่ที่มันมากวนใจก็คือความรักความชังสองอย่างเท่านี้ สิ่งมันกวนใจสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความหลงค้องใจความหลงค้องใจจะมีอยู่เพราะอะไรเพราะไม่มีวิชาความรู้ไม่มีปัญญาสามารถที่ไหนมีปัญญาก็เพราะไม่ฝึกไม่นนปฏิบัติให้เกิดให้เห็นให้เติมขึ้นไม่ใช่ปัญญามันเกิดขึ้น ลอยลมมันไม่เป็นอย่างนั้ น, นปัญญาไม่ว่าฝึกตาไมยะปัญญาหรือกินตาไมยปัญญาหรือภาวนามยาปัญญามันเกิดขึ้นจากการศึกษาการแตะทําการบําเพ็ญอยู่ๆจะให้ปัญญาเกิดขึ้นเพื่อละทอนวิเลตัญหาแต่ราคะมานาทิติดได้มันเป็นไปไม่ได้จะต้องฝึกจะต้องอบรมต้องพินิชทิารณาฝึก ให้จิตของตัวสงบระงับจากอารมณ์สัญญาให้ได้เสียก่อนการฝึกเพื่อความสงบระงับอารมณ์สัญญานั้นทางศาสนาถือว่าสมถทะคือความสงบความสงบนี้เป็นพื้นฐานสำคัญถ้ามองข้ามเรื่องความสงบแล้วเห็นว่าความสงบสมถทะ ไม่ใช่ทางสัสรู้ไม่ใช่ทางที่จะละถอนกิเลสน อ, อกจากจะเป็นวิปัสสนาคือเรื่องปัญญาเท่านั้นถ้าไปคิดแบบนี้คิดความสงบของจิตเป็นพื้นฐานสำคัญจริงว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นปลายสิขาสิ่งที่จะควรศึกษาควรประงพึ่ปฏิบัติศีล ความจริงนันก็มีอยู่ในเตือของบุคคลทุกคนไปคือมีอเจตนาคือจะละในยอมทายอมพูดสิ่งที่ตปนผิดงดเว้นจะเห็นก็ตามจะ <c oughs> อยากขนาดไหนก็าตามหักห้ามเอาไว้ใน ใ, ใจไปทำในสิ่งที่ชั่วที่เทีย พระพุทธเจ้าหักห้ามเรียกว่าศีลมีสติตัว เ, เดียวรักษาให้เขาจิดเข้าใจว่าสิ่งนั้นพระพุทธเจ้า บ, บอกแล้วว่ามันผิดมันเป็นผิดเป็นภัยภัยฝ่าฝืนคืบทำคนนั้นจะเสียศีลของตัวมีสติหักห้ามใจเอาไว้เรื่ย อ, อยู่ทุกการทุกสมัยสิ่งที่ผิด ในว่าจะอยู่ในป่าในเขาในว่าจะอยู่ในบ้าในในเมืองในว่าจะอยู่ต่อหน้าประชาชนทุกคนได้ก็าตามอยู่คนเดียกวก็าตามไม่ทําเรียกว่าเร า, เรามีเจตนารักษาศีลของเราศีลของเราจะเกิดขึ้นเพราะมีเจตนาวิรัตหักห้ามเอาไว้เพื่อจะสมาทานปนานาอธินามุสาหรือสุลาการเมต่างๆ จะมาทานได้จากปากของพระจะเ่เรามารักษามันก็นมาเกิดเป็นศีลให้ศีลจะต้องอาศัยมีเจตนาภายในคืองดเว้นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษเป็นทุกข์ตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่ยินดีเนื่อมีคนอื่นมาข่ามาตีมาลักมาขโมยมนะอกอกอกใจขู่รักของตัว มาพูดโกหกหลอกลวงต่างๆตัวเองไม่ชอบอย่างไรคนอื่นที่เราไปพูดไปทํากับเขาเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นต้องเอาอกเขามาใส่อกเราอกเราไปใส่อกเขาก็รักษาศีลดาสะดวกสบายนี่คือเรื่องของศีลมีอยู่ในกายในใจในจ่องไปสมาทานจากใครก็ได้ถ้าหากเราเห็นเรื่องโทษ อย่างภัยการเกิดจากการไม่สังวรระวังรักษากายวาจาของตัวมันจะเกิดชั่วเกิดเสีย อ, อย่างนั้นอย่างนี้เราวีรัสงดเว้นมันก็เป็นสีนขึ้นในตัวของตัวถา น, นั้นนี่เรื่องของศีนรักษายากสําหรับคนชั่วคนพานคนยากแต่รักษาง่ายเห ม, มือนรักษาเด็กเห ม, มือนรักษา ตัดเลี่ยงต่างๆพอมันอยู่ในตัวของตัวเราไม่ไปทําเราไม่ไปพูดมันก็เป็นศีลเท่านั้นในสิ่งที่เฉวดีเสียเรารักษากายรักษาบาจาร้องเรามันง่ายพอเราไม่ไปทำํำพอเราไม่ไปพูดมันก็เป็นศีลสุดจิตที่จะเป็นสมาธิ จะต้องฝึกจะต้องปฏิบัติฝึกอย่างไรอุบายวิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นสมาธินั้นถ้าพูดถึงตำรับตลราท่านก็เก่าไว้มากมายกรรมาฐาน4ี่สิบบทสี่สิบวัดท่านเก่าเอาไว้เจ็นอนุสติสิทิอสุภัสสิท มีอะไรต่ออะไรมากจนถึงสี่สิบส่ถงกเอาไว้นั่นเป็นเรื่องทุกคนในโลกจะเลือกเอาเพราะโรคของายมีมากยาก็ต้องมีมากโรคของใจมีมากจิเลีมดนี้มากคือจงต้องบัรญัดิไวมากแต่ข้อสำคัญในต้องไปศึกษาเราเรียนให้เขอดถึงหมดสิ้นเสียก่อนจึงจะมา เพึป่ปฏิบัติเราทราบสิ่งหนึ่งสิ่งไดควรที่จะทำจิตทนใจของเราให้สงบร่งงางับได้เอาสิ่งนั้นเหมือนกันกับเราเข้าไปในร้านอาหารอาหารจะมีมากมายหลายเหลืองขนาดไหนเราต้องการอะไรเราก็สั่งเอาอย่างนั้นมาทานกันก็อีนหายจากความหิวมีกำลังทางกายไปมา ได้สะดวกสบายเพราะกายมันอยู่ด้วยอาหารนี่จะมาหานที่ท่านบงบอกเอาไว้ในตหลับตำราที่จะมาอบรมใจตั้งสี่สิบอย่างนุสติสิบสุภาสิต กสินก็มีอยู่ในนั้นถึงอย่างไรก็ตามเรื่องตํารับตำลาก็ออกไปจากกายจากใจของบุคคลที่เปนเขียนเอาไว้เราจะหงบใจของเราอย่างไรใจของเราจึงจะสงบสุขให้ดูให้รู้จากตัวของตัวให้ทดสอบดูเราจะกาหนดเพียงลมหายใจออกหายใจเข้า ไม่ให้คิดไปกัางควรกับเรื่องอันอืน่นไห้ไปคิดไปเป็นเรื่องอันอืน่นจะเอาสติกำหนลดลมอยู่นี้มันผ่านออกผ่านเข้าสัญญาาอย่างไรให้ทราบมันหยาบมันละเอียดให้รู้จักในสใจสติให้ในหลงไหลใ ส, ส่ฐานไปเรื่องอืน่นเราจะใส่อยู่อย่างนี้ ไม่มีหน้าที่จิตไม่มีโอกาสเวลาเวทออกไปหาอารมณ์ทางนอกมันอยู่กับลมลมก็คอยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปผลที่เสร็จจิตของเราก็สงบรวมเป็นหนึ่งได้ความสะดวกสบายความเคยเห็นใครเป็นมาก่อนแต่กานเกิดเกิมกระทั้งัวันนี้ความเคยเห็นใครเป็น ความสงบสักทีแต่ความสงนบนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเลิศไร้เลิยิ่งกว่าความสุขทางโลกขนาดไหนผู้เห็นผู้เป็นในจิตในใจจะไม่มีทางสงสัยจะทราบแต่ความสงบของจิตนี้สมบูรณด้วยความสุขจริงจังในเหนือความสุขจากลาบยอดสันไลเสริมภายนอก ความสุกขององงงัดของทำของจิต <c oughs> ที่เราเห็นเราเป็นนี้คนที่มีเงินล้านเงอนแสนจะไปจ่างดูที่ไหนไม่มีโอกาสเวลาไน่มีใไทเขาจะให้ดูหรือเให้ดูก็ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนการแต่ ท, ทําบำเพ็ญ้วยตัวเองคนที่ลืมหลงแอบเชื่อเงกันในสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่พึ่งการมาคุณต่างๆก็เพราะเขาไม่เห็นไม่เตีนอย่างนี้ถ้าเขาเห็นเขาเตียนเขาเย็นเขาสงบอย่างนี้เขาไม่มีรันที่จะเพี้ยนจะเพลินจะลุ่มจะลงเพราะความสุขอันนี้เป็นสุขที่ดีสุขที่วิเศษประทัดใจในผู้เห็นผู้เป็นนี่คือการจะ ท, ทําบําเพ็ญการสุขภาวนาะกําหนดลงหายใจจะได้กําหนดบทพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะกําหนด ตา้ตาจะได้แล้วแต่จิตนิ้อใสของใครชอบกันมาทานบทใบอย่างไรนำมากำหนดผูกใจให้มันอย่าให้มันไปคิดไปปรุงรื่องอดีตอนาคตข้างหน้าข้างหลังอะไรให้มันอยู่ในบทบริกรรมของตัวถึงมันยังไหงเไร็วไหนรวมให้จะให้มันอยู่นั้น อย่างมัเไี่ยงข้องกับตัญญาเรือื่นถ้ารักษาแล้วยังได่อย่างนี้จิตที่มันเคยสายแสถ้ารักภวนต่างๆหมดหมดถูกมั่นรักษาจิตประตูเไว้ไม่เห็นมันออกไปที่ไหนมันจะมีวันมีเวลาสงบให้มีการรักษาจิตรักษาใจพวกเราเมาข้าไม่ค่อยจะเอาใจใส่บางคนจะจะเลื่องท้องกายเจ้ามันตายเจ้ามัน เหนื่อยมันหิวแต่จิตใจในนี้อากนี้ทำในนี้อะไรที่จะอยู่จะคินในดูแลรักษาจิตใจจึงว่าเออจึงวุ่นวุ่นแต่การปัญญาเรื่อสต่าง